หนูน้อยที่เคยเป็นเจ้าหญิงกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชาวนาแก่ที่อยู่ในหมู่บ้านกับลูกชายสามคนทั้งสามคนหล่อและหนุ่มชาวนาภูมิใจในตัวลูกชายของเขามากเมื่อเขาคิดได้ว่าได้เวลาลูกชายแต่งงานฟังนะลูกๆพวกลูกโตพอจะแต่งงานแล้วพอ่อยากให้พวกลูกหาที่รักของตัวเองพ่อยากจะให้ทุกคนมีความสุขกับคู่รัก แต่พ่อเราจะหาเจ้าสาวของเราเจอได้อย่างไงใช่แล้วครับพ่อมันจะยากมากแน่นอนที่ต้องหาแฟนเองนะ่ะผมฟังพ่อก็ได้แต่ว่าแนะนำให้เราหน่อยนะครับแน่นอนเราไม่ทำเนียมครอบครัวในการหาเจ้าสาวและทุกคนจะต้องทาตามเอาขวานไปตัดต้นไม้ที่ฟาร์มของเราดูว่าต้นไม้หล่นไปทางไหนแล้วก็ไปทางทิศนั้นเพื่อหาเจ้าสาว แต่ก่อนที่จะตัดต้นไม้ปูลูจะต้องปลูกต้นไม้หนึ่งต้นในฟาร์มแล้วสัญญา ก, กับพ่อว่าจะดูแลมันอย่างดีครั บ, รบพอ่อพ่อครับทําไมเราต้องทำแบบนี้ทําไมต้องปลูกต้นไม้ก่อนจะตัดด้วยเพราะว่ามันสําคัญกับเรามากเราไม่ตัดมันเฉยเฉยเราจะปลูกมันให้มันโตขึ้นมากขึ้นลูกชายฟังพ่อแต่ละคนก็ปลูกต้นไม้ก่อนแล้วถึงตัด ลูกคนโตสุดก็ตัดต้นไม้แล้วก็หล่นลงไปที่ทางทิศเหนือโอ้ทิศเหนือดีเลยคนที่ฉันชอบอยู่ทางนั้นแน่แน่จะจะไปขอมั่นเธอที่นั่นเหรอคนที่สองตัดต้นไม้หล่นไปทางใต้อะฮะต้นไม้นี้รู้ได้อยังไงเนี่ยว่าฉันชอบสาวคนหนึ่งที่ทางใต้เราจะเอาเดินทางไปทางใต้ในอีกไม่นานนี้แล้วต้องเจอแน่แน่ คนสุดท้ายตัดต้นไม้แล้วหล่นหันไปทั้งป่าพี่ชายสองคนหัวรเราะข้าดูสินี่แกจะไปทางนั้นงั้นเหรอเฮ้เวคข้น่าจะแต่งงานกับใครในป่าล่าหมาป่าหรือว่ากวางผมจะไปทางนั้นน่ะละผมมั่นใจว่าภรรยาผมเนี่ยจะต้องอยู่ทางนั้นแน่นอนเลยทั้งสามคนออกเดินทาง ลูกคนโตออกเดินทางไปทางเหนือและขอม่นอ้นหญิงที่เขารักมาเสมอเธอยอมรับคำขอม่้นของเขาอย่างง่ายดายคนที่สองไปทางใต้ก็ไปขอม่้นแฟนเขาแฟนเขาก็ตกลงคนสุดท้ายเดินเข้าไปเดินทางไกลแต่เขาหามนุษย์ไม่เจอเลยเขาเหนื่อยและผิดหวังเขาก็เลยหาที่พักพิง เขาเจอกระท่อมเล็กๆในป่าเขาแปลกใจมากที่ได้เจอมันเขาเลยเข้าไปและพบว่ามันว่างไม่มีใครอยู่เว้นแต่หนูตัวหนึ่งโอ้ไม่มีใครอยู่ที่นี่เลยวแบบนั้นได้ยังไงฉันอย่างนี่ยังไงแกเป็นหนูนะไม่ใช่คนนี่แล้วมาทําอะไรในป่านี้ฉันมาหาที่รักของฉันในป่านี้นะเหรอคิดว่าที่นี่จะมีคนให้เธอจีบเหรอ ไม่แต่ถ้าฉันพยายามที่สุดฉันอาจจะเจอเธอก็ได้ฉันห่วงนะว่าที่นี่จะไม่มีมนุษย์ฉันกลับบ้านทําไม่ได้เมียกลับไปน่าอายแน่เลยในป่านี้ไม่มีผู้หญิงหรอกทําไมไม่พาฉันกลับไปในฐานะที่รักละ่ะแต่เจ้าเป็นหนูอะ่ะแล้วฉันจะรับเป็นแฟนได้ยังไงเล่าเชื่อฉันสิบอกเลยว่าฉันจะรักเธอและจริงใจกับเธอแต่ว่าเออหนูเริ่มจีบเขา เต้นให้เขาดูร้องเพลงเพลาะให้เขาฟังเพราะว่าเขากำลังเหนื่อยเขาเลยรู้สึกผ่อนคลายมื่หนูร้องเพลงจบและเต้นจบหนูเลยรอฟังคำตอบของเวคโคเธอมองเขาด้วยความรักฉันชอบเธอนะฉันจะรับเธอเป็นแฟนก็ได้หนูดีใจมากที่ได้ยินแบบนั้นเธอสัญญากับเขาว่าเธอจะรอเขาจนกว่าเขาจะกลับมา พี่น้องทั้งสามคนกลับบ้านบอกมาหน่อยเป็นยังไงบ้างจะประยาไหมผมเจอสาวสวยครับพ่อเป็นเมียผมเธอปากสีชมพูมากเลยเมียผมก็สวยมากนะครับเธอผมสีทองยาวสวยงามเออแล้วว่าไงละเวคโคเมียของนายคงจะฟันแหลมหูตั้งละสิ่า่าาอย่าหัวรออรเราะเลยพีย่ ที่รักผมใจดีน่ารักตัวเล็กเธอใส่ชุดกรรมยจีด้วยนะแสดงว่าเธอเป็นเจ้าหญิงเหรอใช่ครับตอนเธอร้องเพลงเนี่ยผมมีความสุขมากๆเลยพี่ทั้งสองคนรู้สึกไม่พอใจกับเวกโคหลายวันผ่านไปพ่อของพวกเขาก็ตัดสินใจจะทดสอบแฟนของพวกเขาเขาเรียกลูกๆไปแล้วพูดว่าพ่ออยากจะรู้ทีนะของพวกเจ้าทาครัวเก่งไหย บอกให้พวกเธออบขนมปังให้พ่อหน่อยพี่ชายสองคนตกลงแต่เวทโคงเงียบเพราะเขาห่วงว่าหนูจะอบขนมปังไม่ได้เขาไปที่ป่าหนูก็ดีใจมากที่ได้เจอเขาฉันรู้แล้วว่าเธอต้องกลับมามีอะไรเหรอฉันดูไม่สบายใจเลยนะพ่อฉันอยากให้แฟนของลูกๆอบขนมปังเนะ่ยแต่ว่าเธออบขนมปังไม่เป็นพี่ชาต้องหัวรเราะเยอะแน่ ไม่หัวเราะแน่ฉันไม่เคยได้ยินว่าหนูจะอบขนมได้มาก่อนเลยแต่ฉันทำได้หนูสั่นกระดิ่งเงินเล็กๆเมื่อได้ยินเสียงหนูเป็นร้อยตัวก็โผล่มามารวมตัวกันทุกคนยืนต่อหน้าหนูน้อย เวกข้อแปลกใจมากหนูทุกตัวหายไปเมื่อพวกเขากลับมาพวกมันก็เอาข้าวสาลีที่ดีมาด้วยเพราะได้ข้าวสาลีมาแล้วหนูก็อบขนมปังที่อร่อยที่สุดให้แฟนของเขาพี่น้องสามคนเอาขนมปังมาให้พอ่อลูกคนโตเอาขนมปังไรมาให้พ่อของเขาดีา่หมอขนมปังนี้เหมาะกับคนทำงานหนักอย่างพวกเรา ลูกคนที่สองเอาขนมปังจากข้าวบาเล่มาให้บาเล่ก็ดีมากเลยแล้วเวกโคเอาขนมปังขาวมาให้อะไรนะขนมปังขาวหรอเวโคเมียเจ้าน่าจะรวยมากสินะเนี่ยแน่นอนครับเขาบอกเราว่าเธอเป็นเจ้าหญิงนี่นะเวกโคองคหญิงเอาเข้าวสาลีมาได้ยังไงเนี่ยเธอขย่ า, ยากระดิ่งสีเงิน และคนใช้ของเธอก็จัดหาทุกอย่างมาให้เธอโอ้พ่อดีใจกับเจ้าสาวทั้งสามคนพวกเธอทําขนมบางทีดีแต่ก่อจะพาพวกเธอกลับบ้านพ่ออยากให้ทุกคนทออะไรบางอย่างให้พรหน่อยที่รักของผมเก่งอยู่แล้วพ่อใช่เขาผมก็เก่งเว็โก้กเป็นห่วงมากเขาไม่มั่นใจว่าหนูจะทอได้เขากลับเข้าป่าไป หนูรู้สึกว่าเขาไม่สบายใจเธอเลยถามเขาไปว่าเป็นอะไรฉันว่าเธอช่วยไม่ได้แน่ฉันไม่เคยได้ยินว่าหนูจะทอดผ้าได้ทำได้เหรอแน่ น, นอนสิแตนคนนี้ทำเพื่อเธอได้เสมอหนูก็กระโดดลงไปสั่นกระดิ่งสามครั้งหนูเป็นร้อยตัวก็โผล่มามารับรอคำสั่งว่ากคนไปเอายายป่านที่ดีที่สุดมา หนูทุกตัวหายไปไปเอาป่านที่ดีที่สุดกลับมาหนูทอผ้าลินินที่สวยที่สุดมันดีมากจนเธอต้องเก็บมันเอาไว้ในเปลือกทั่วเปล่าๆอันนี้ไปเวคโคหวังว่าพ่อเธอจะชอบมันนะเวคโคเอากลับไปด้วยและกลับบ้านไปทุกคนก็เอาผ้าที่แฟนของพวกเขาให้พ่อตรวนผ้าฝายกันหร มลีียดดากกแต่คนที่สองให้พาที่แฟนของพ่อเขาตรวจฝ้ายกับลินินเหรอดีกว่านิดหน่อยแล้วแกลเวกโคเวคโคเอาเปลือกถั่วให้พ่อเขาพี่น้อ ง, องเขาหัวรเราะขาพ่อบอกให้ไปทอผ้ามาไม่ใช่เอาถั่วมาให้พวกเขาหัวเราะไม่ออกเมื่อพ่อของพวกเขาเปิดเปลือกถั่วเขาเอาผ้าลินินที่ดีที่สุดออกมา ว้าวเธอหามาได้ยังไงเนี่ยเธอสั่นกระดิ่งให้คนใช้ไปเอายายผ้าที่ดีที่สุดมาแล้วก็ทอผ้าให้พ่อนะครับเวโกที่นักของแกนี่เหมือนจะเป็นเจ้าหญิงเอาละทุกคนเอาที่รักกลับบ้านมาได้พ่ออยากจะเจอพวกเธอพรุ่งนี้มาเลยหนูดีใจมากที่ได้ยินแบบนั้นเธอแต่งตัวอย่างดีและสั่งให้คนเตรียมรถหนูกับหนูคุมรถห้าตัว ไม่นานรถหนูก็มารออยู่ข้างหน้าเวคโคแปลกใจมากที่ได้เห็นหนูเข้าไปยืนในรถหนูมีบ่าวของเธอเรียกรอพร้อมที่รถหนูแล้วแล้วพวกเขาเดินทางไปที่บ้านเวคโคเดินทางไปกับพวกหนูไม่ต้องห่วงนะฉันจะดูแลเธออย่างดีแล้วก็ไม่ต้องห่วงพ่อฉันด้วยเขาเป็นคนที่ใจดีมากๆหลังจากเดินผ่านป่า พวกเขาก็เข้าใกล้เมืองตรงนั้นมีแม่น้ำไหลระหว่างทางพวกเขาต้องข้ามสะพานเมื่อพวกเขาข้ามสะพานก็มีชายคนหนึ่งเดินมาทางตรงกันข้ามเขาเห็นหนูเดินผ่านทางหน้าเขาเขาหัวเราะและแต่พวกมันลงแม่น้านี่นายทำอะไรอ่ะทำแบบนั้นทำไมนายทำที่รักของท่านจมน้ำนะ ที่รักอย่างงั้นเหรอหนูพวกนี้นี่นะเขาหัวราดังๆและเดินจากไปเวกโคเศร้ามากเขามองลงไปที่แม่น้ำแต่เขาหาพวกหนูไม่เจอโตร์ที่รักของฉันเสียใจด้วยที่คุณต้องจมน้ำหลังจากนั้นเวกโคหันกลับไปแล้วก็เห็นรถม้าสวยงามอีกฝั่งของแม่น้ำมันถูกบังคับด้วยม้สวยๆห้าตัว ในนั้นมีสาวสวยที่สุดนั่งอยู่ในรถมา้าเวกโคดีใจมากพอใจที่ได้เห็นความงามของรถมา้าเขาเดินไปทางนั้นเมื่อเขาเข้าไปใกล้รถมา้าเวกโคมานั่งใกล้ฉันสิผมเหรอเธอรับฉันเป็นที่รักตอนฉันเป็นหนูฉันมั่นใจว่าถ้าฉันเป็นเหมือนเดิมแล้วเธอไม่ทิ้งฉันแน่เธอคือหนูตัวนั้นเหรอใช่ ฉันเคยเป็นเจ้าหญิงเมื่อก่อนแต่โดนแม่มดสาบเอาไว้คำสาบจะไม่โดนถอนถ้าไม่มีใครรักฉันจากใจจริงและถ้าชายคนนั้นไม่ทําให้ฉันจมน้ําตอนนี้คํำสาบหลุดแล้วตอนนี้เราไปเจอพ่อเธอกันได้และแต่งงานกันไปที่อาณาจักรของฉันพวกเธอเดินทางไปที่บ้านของเวโคพ่อของเวโคกับพี่ชายของเขาทึ่งมากที่ได้เห็นเจ้าหญิงแสนสวยว่าเป็นแฟนของเวโค พ่อครับนี่ที่รักของผมที่รักของเจ้าเป็นเจ้าหญิงจริงๆแกไปหาเธอเจอที่ไหนในป่านะครับที่ที่ต้นไม้นำทางผมไปยังไงต้นไม้นำทางเหรอพ่อบอกแล้วนั่นละดีที่สุดถ้าต้นไม้ของเราชี้นำเราไปที่ป่าบักโขกจะดีเราก็คงจะเจอเจ้าหญิงเหมือนกันแต่พวกเขาคิดผิด เวโคเจอเจ้าหญิงกบเพราะเขาเป็นคนใจดีแม้แต่กับหนูตัวเล็กๆพ่อของเวโคให้พรพวกเขาแต่งงานกันพวกเขามีความสุขเพราะรักกันอย่างจริงใจจากหัวใจส่วนลึก